ตอนเช้าตอนเย็นทบกับกับศีลกับธรรมสาธยายธรรมร่วมกันบทสวดมนต์เมตตาบทดีๆแรงเอาทางวาจาทางกายทางกิตให้หลายๆด่านไปต่อเอาถ้าเป็นความเย็นหักคนในพานก็เอาความเย็นไปต่อเอา ไปต่ออาความเย็นเอาความรู้ไปต่อเอความรู้เอาความเมตตากรุณาไปต่อเอเมตตากรุณาการกระทามันเร็วของเราจะให้มันได้ของประเสริฐมันเป็นไปได้ยากการกระทำมันประเสริฐมันก็ได้ของประเสริฐการกระทา ใดก็ตามให้เริ่มต้นจากเราเราจเจริญสติสตก็ให้มีตัวรู้พร้อมที่จะรู้อย่าให้มีการขัดแย้งใดๆให้ความรู้สึกตัวถ้าสองกีดสองใจมันก็ยากมันก็ทวนกระแสมันหมดแรง เหนื่อยเข็ดหลาบแต่ถ้าเราเริ่มจับในร่วมดีๆเนี่ยให้พอพอใจยินดีเรียกว่าฉันทะฉันทะคือความพอใจในยทำอะไรมากมีความสำเร็จเมื่อมีความพอใจแล้วมันก็มีอันอื่นต่อไปอีกเรียกว่าวิริยะคือความภาคเพียน จะต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็มีพลังสองมีพลังอีกพลังสามอีกกิตตะเอาใจปกไ่เอาใจปกไ่ไม่โทษทิ้งมีพลังอีกสีอีก้าไป ติตรองในเวลาที่เราทำปรับปรุงส่วนไหนอย่างไรช่องโบช่องว่างอย่างไรดำเนินไปทิศใดทางใดได้ข้อมูลไปเรื่อยๆเรียก ว, ว่ากิตตะเรียก ว, ว่าวิมังสาภาษาภาษาธรรมถ้าตั้งอยู่ในคุณธรรมเนี่ย ก็มีความสาเร็จได้ควรข ว, ขวยเอาทุรลหน้าที่ของเพื่อนภิกษุสมเร็จสุาสกอาสิกานักปวดเพื่อนอริยนามิตรที่อยู่ด้วยกันในครัวก็คิดถึงความหิวของเพื่อนเราคิดถึงความหิวของเพื่อน ถ้ายันทำอาหารปรุงอาหารอาหารก็รสชาติดีแต่แม่ครัวที่ว่าตัวยังยากลําบากอาหารก็ไม่ค่อยมีรสไม่ชาติปลูาากต้นไ ม, ม้ลดต้นไม้กม็มกนันกันทําอะไรไทยยุงย่งยากๆะไม่มีแนวร่วมในทางที่ดีไม่มีพลัง การปลึกพลังมันทำให้ศักดิ์สิทธิ์สมัยก่อนหลวงพ่อเรียนคาถาไสยศาสตร์ก่อนที่จะไล่ผีต้องให้พลังแห่งความดีต่มีความชั่วไม่มีศีลผีไม่กลัวผีมันต้องกลัวผู้มีศีล คาถาอาคมมันจะดีต้องมีศีลมีสมาธิมีจิตใจที่ดีนั่งดูก็ได้จตมว่าเราจะไปเอาคนออกลูกนะเวลาคนมาหาก็อย่าเพิ่งไปเลยนั่งต่อห้องพระสักหน่อยทำใจลองดูรามั่นใจเราก็ สำเร็จบางครั fünf, walking, ้งถึงก็บอกว่าถ้าเขามาเอาไปไล่ผีก็บอกเขาไปก่อนเขาก็ไม่เขาก็ไม่เชื่อว่าเราจะไปพราว่าเราจะไม่ไปแต่แม่เจ้าก็อานั่งรอสักหน่อยรอในสักหน่อยแล้วก็เข้าไปนั่งเซึ่งวบอยู่ต่อหน้าห้องคระ แล้วก็ออกมาบอกเขาว่ามันหายแล้วมันหายแล้วปกติแล้วไม่เป็นไรแล้วก็ไม่เชื่อเราก็บอกเขาไปด้วยเขาก็ไม่เชื่อจาเป็นก็ต้องไปด้วยกันไว้ก่อนถนนหนทางก็ไม่ค่อยดีตามในบ้านมีแต่ลุยขี้โทมขี้โคนลนลุยโคลนเป๊ะปะเป๊ะปะ่ปปำกันงคืน พอไปถึงมันก็นอนหลับสบายแล้วบางทีมันก็มั่นใจความมั่นใจนี่ทำอะไรมันศักดิ์สิทธิ์เริ่มตั้งที่ใจก่อนสำเร็จได้ด้วยคิดใ จ, จเราเจริญสตินี่ก็ไม่ใช่จะทำเฉพาะยกมือเป็นสิบสามสิบสี่จังหวะ2ยี่สิบแปดจังหวัดยังไม่พอต้องมีคุณธรรมอื่นเข้าไปร่วมอีก ผู้จากนี้เขอยากคิดว่ามันยุ่งยากโอ้ยทำอะไรก็ยากนะโอมันก็เป็นธรรมดาเราจิ้นข้าวก็ยังยังมีหลายอยา่างไม่ถ้วยพม่มือมีตาไม่ชอนไม่อะไรต่างๆอย่าไปคิดสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องที่ช่วยช่วยให้เกิดความสะดวก เราจเจริญสตินี่ก็เหมือนกันนั่นแหละนะก็<อ>หาแนรวนร่วมด้วยเชื่สร้างศรัทธาศรัทธาว่ายังไงศรัทธาว่าทําดีได้ดีทําชั่วต้องชั่วศรัทธานในคำสอนของระ菩萨สดาอย่าเอ่ยทางอย่าอ่อนแอในศรัทธาจะเป็นตายไล่ดีอย่างใดเขาก็ อย่าไปทิ่งศรัทธาศรัทธานี่ยัไงไงๆเราก็เป็นของเราแล้วมาก่อนอย่างอื่นเราเชื่อกมคือ ก, การกระทามันมาก่อนมันเป็นทุนแล้วเป็นทุนแล้ว แต่ถ้าเป็นทุนเป็นทรัพย์ถ้าจะเปรียบการทำนาก็เหมือนนาเรามีนาแล้วเป็นหลักแหล่งแล้วตอนเราทำลงไปมีความเพียนเข้าไปนาเราเมาน้ำฝนแล้วใส่ความรู้สึกตัวเข้าไปไม่เข้าปลูกแล้ว ควรดินใส่ปุ๋ยลงไปที่ว่ามีสมาธิมีปัญญาแล้วนันหลงเราก็ลูกเปลี่ยนตัวลูกเปลี่ยนตัวหลงเป็นตัวลูกปัจจาไปพร้อมๆกันไปแล้วทำได้กับมือเราทันทีทันใดเราจึงมั่นใจแ้เราจะมองไป อดีตก็มองเห็นเงินไขเห็นซุนเห็นลอยทั้งพระพุทธเจ้าหลักฐานก็คือเราพระสาวกแล้วก็มีตัวมีตนเมื่อเราจะมองข้นมาใกล้ๆตัวเราก็มีธรรมธรรมก็คือธรรมวินัยมีอยู่ ทำไปวนไหนอยู่ไหนก็อยู่กับเราอยู่กับเราทแท้ๆ แ, แบบนั้นสบายเลยการทำความเพียรการเจริญสติไม่เหมือนกันทำามันเดินเช่นพวกเราปลูกป่าสร้างป่าสร้างน้ำต้องมีส่วนประกอบหลายอย่างต้องมีต้นไม้ ต้องมีรถไถรถแท็กเตอร์น้ำปราหญ้าปราบพงมีน้ำก็ไปรอว่าฝนตกลงมามีแรงงานนอกจากตัวเราเองมแรงงานอีกหีเงินทุนอีกจ้าง่สร้างน้ำมีรถแมกโครมีเงินอีก เงนยากเงินน้อยๆบาทสิบาทก็ไม่พอต้องมีเงินมากมายมหาศาลเงินเราก็ไม่มีมีมือห้านิวน้วสิบนิ้วก็มีคนเกิดแนวร่ ว, รวมไม่เมตตาคิดช่วยเหลือพวกเราก็ไม่ช่วยพวกเราไม่ยังมีคนที่จะช่วยเราอีกเขานัด ให้ไปรับปัจจัยรวบรวมเงินทุนไว้เพื่อสร้างปลวกวัดซึ่งซึ่งเราก็ทำไปเสร็จแล้วแล้วนัดที่แรกนัดวันที่สงกุมภาให้ไปรับที่วัดสนามไหนแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเขาก็โทรมาบอกว่าหลวงพ่อไม่ต้องมารับเพราะจะส่งไปสนี โกนวันที่สองถึงกดวันที่สงแน่นอนไม่ก็มีแนวร่วมมีศรัทธามันยากกูพวกเราที่ทําความดีกว่าจะเกิดศรัทธาผู้คนให้แนวร่วมทั้งทั้งที่เรามือเป่าเริ่มต้นจากศูนย์นี่เราทําความดีเราทําความเพียรไม่ต้องรออะไร กรอบลงไปทันทีลู่ลงไปศรัทธาเราก็ได้ทันทีความเพียรเราก็ได้ทันทีสติเราก็ได้ทันทีมีสมาธิมีปัญญาก็เกิดมาพร้อมกันทันทีมันมีของที่แก้กันไปในตัวมันหลงก่าลู่ทันทีนั่นที้เกียดที่ข้านัดหมดศรัทธาก็สร้างศรัทธาขึ้นมาหามองเอาอย่างคนดี มองอาอย่างคนดีคนดีๆมืเอเยอะแยะเราก็เห็นอยู่หายคนดีในปัจจุบันวันนี้ก็มีตรงนี้อาจจะมีอยอะน้อยเราก็ไม่มีใครเป็นคนดีเราก็สร้างตัวเองไม่มีใครเป็นมมตดกันเรอเราก็เป็นมตดกับตัวเอง หาการย า, ามิตรที่หารียกเขาก็เป็ดกัรยาณมิตรกับตัวเองยิ่งดีกว่ากัรยานามิตรภายนอกมีกัรยานาธรรมกัรยานาธรรมก็คือพวกศรัทธาพวกศีลพวกสมาธิพวกความเพียรพวกสติปัญญานเรื่อการยานาธรรมไม่ยากเหจนอยรอจด มีสิ่งที่เป็นคู่คู่กันอยู่ของสิ่มันคู่กันมันหลงก็ไม่รู้เราสร้างขึ้นมาจิตใจของเรานี่มันเป็นสารพัดนึกสิ่งไหนที่เกิดขึ้นกับใจทันทีเปลี่ยนได้ ทำไปทำมาทำไปทำมามันเป็น <c oughs> <c oughs> ธรรมชาติในตัวธรรมชาติสร้างธรรมชาติธรรมชาติสร้างธรรมชาติธรรมชาติที่วันสร้างธรรมชาตินับจากเส้นหญ้านับจากรากหอยเล็กๆน้อยของต้นไม้ บางทีใบไม้ล่วงลงมาเกี่ยงไม้ร่วงลงตามทับถมใบไม้เอาไ้เพราะจะพืชจนหญ้าเกิดขึ้นมาแทนยึดต้นไม้ใบไม้ที่มันลนลงใต้พืนพื้นดินทาให้ใบไม้ทำให้วัตถุต่างๆไม่หนีไปทางอื่นเวลาฝนตกลงมอมัน ถูกใบไม้ค่อยปล่อยลงมาหยอนลงมามาถูกไปตองที่อยู่ข้างล่างก็ค่อยซึมลงไปไม่ได้ไหลไม่เหมือนไม่เหมือนตกใส่ขลานหินไหลไปหมดยังไม่ได้ซึมเลยนับจากเล็กเล็กน้อยนับจากศรัทธานับจากสตินับจากสมาธินับจาก ความคิดเห็นทำความเห็นให้ถูกต้องบางอย่างแนวร่วมนะบางทีเราไม่ได้เน้นเรื่องการเจริญสติขณะที่เรายกมือเคลื่อนไหวถ้าอันไหนมันอ่อนปรับเออปรับอินซีปรับอินซีให้พอดีถ้าไปปรับอินซีในช่วงที่ควรปรับ มังกรไม่งอกไม่งามสติไม่งอกไม่งามตาหูจมูกเลี้นกายใจอารมอาการต่างๆสมมติว่าสติ อ, น อ, นอินสีสีอินสีบางทีมก็สู้ตาสู้หูสู้จมูกสู้เลี้ยงสู้กายสู้จิตใจไม่ได้ ถ้าต่อหัวใจผมเรี่ยมกายใจเนี่ยมันเป็นภายในมันเป็นเจ้าเรือนสตินี่ถึงแม้นมันมีนมอยู่เทั้เจ<ร>ียงแต่ว่าไม่เคยเป็นใหญ่เท่านั้นเพราะว่ามันก็เป็นอันอื่นเป็นใหญ่บางทีอารมณ์เป็นใหญ่นิ้อใสปัดใจจิตหลิดเป็นใหญ่จิตหิดเนื้ใสเป็นใหญ่ ทิฏฐิมานะเป็นใหญ่ความเห็นผิดเป็นใหญ่หรือว่ามิจฉาทิฏฐิเป็นปอกหือเ่าการปรับอินซีนี่นี่ได้หลายอย่างเอาแบบ่างบ้างเอาดุ่นดุนบ้างชิมดูยกมือดูลู้ตัวไปนะกว่าที่สติมันจะเป็นใหญ่ ตรนต้องเปิกเปิดทางเบิกทางตัอไปได้ที่ใดทางเราแป๊บเตรียมของงอกครับมาเราปลูกต้นไม้แต่ก่อนเราไม่ได้ไถเราก็มีความเห็นว่าหลายหลายอย่างที่เราคิดสมัยก่อนปลูกแล้วปลูกอีกปลูกแล้วก็ไม่เหลือเพราะไม่ไม่ได้ปรับพื้นต้นหญ้าต้นผมเกิดขึ้นได้ยญ้าหมดเงินหมดทอง ได้เท่าไรก็เกิดขึ้นเท่านั้นถึงเระดูแล้งมาก่อนเพาจะพืชต้นหญ้ากลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเอาไม่ตายไปแล้วก็วางแผ่นปับพื้นที่ให้รถมาใช้เองแลยวข้าคาไลยปเลยหญ้าพงก็ไปเลยแม่มีอยู่ก็หอนแด่เต็มที่แล้ว สติก <estion avilion> ็เหมือนกันความพร้อมที่จะสร้างสติแป๊บเดียวก็ไปได้งอกงามเลยเหมือนการเรียนอาไหรโรงเรียนอะไรโรงเรียนสมหินเลยเป็โสมมหินมมหิทผมก็เคยไปดูบ้านเด็กโรงเรียนบ้านเด็กเมืองการจนบุรีสมมหินเคยไปศึกสาเพื่อจะมาสอนเด็ก แต่เมื่ก่อนก็ขนข่อยมั่งกันนะผลขวยเพื่อผู้อื่นใช้ชีวิตเพื่อผู้อื่นผลขวยไปดูสมมตินสมมตินนี่ถ้าเขาไม่สนใจเขาไม่พร้อมไม่ต้องไปสอนเขาปล่อยเขาไปเถอะเราเรียนปอนกว่าจะจบป .6 เรียนหกปีแต่สมมติเห็นอาจจะเรียนไม่ถึงปีจบป .6 เลยถ้าเขาพร้อมนาะ แล้วเขาพ่อมก็ไเรียนเอาเรียนเอาเรียนเอาก็สอบเปรียบเทียบมีกอสอนอเปรียบเทียบเพือที่จะได้ทื่นฐานอย่างไรได้ข้อมูลอย่างไรแล้วก็เทียบไปเลยสอบไปเลยเห็นที่เรียน6กปีก็เรียนปีเดียวจบ จอเรืนสตินี่ก็เหมือนกันนะถ้าเราสร้างความพร้อมดีๆอย่าได้ถอได้พายตัวให้ไม่ความพร้อมเวลาใดเรานั่งสร้างก็ว่าพอใจเวลาใดเราใส่สติลงไปในโอ้ยพอใจตื่นขึ้นมาดึกตื่นเที่ยงขึ้นไหนดีเ ม, มื่อเมื่อมานานมานี่ทบจนลวด วัดปากาลิโกถามข่าวเรื่องวัดอกาลิโกเป็นอย่างไรจารล้วนไม่ปัญหาแลยโอ้ปัญหาเยอะแยะหลวงพ่อปัญหาพอหลวงพ่อจุลันไม่มีปัญหามากมายเรื่องการทำมณโฑหลวงพ่อจุลันก็ขัดแย้งกันบางกลุ่มก็จะสร้างโบสถ์ก่อนบางกลุ่มก็สร้างมณโฑก่อนแย่งกันไปแย่งกันมาอาารยล้วนเลยโผล่ก็ ถ้าทำบุแล้วสร้างมันจะได้สวยงามอต่นี้ต้องเงินก็มีจะทําแล้วก็จะไม่ได้ดีเวมาเขก็เอาจําฐานร่วนเลยไม่ได้สร้างบอนโดกขายังไม่ได้สร้างนอนไม่หลับทุกข์นะคิดเอาใจคนนอนเอาใจคนนี่นอนไม่หลับทุกข์โอ้ทุกข์บางก็ดีนะหลวงพ่อผมเนี่ยพ้นทุกข์ด้วเพราะความ พนดีความสุขได้เพราะมันทุกข์ผมนอ น, นไม่หลับผ ม, ม, บมก็เดินจงกลมมันก็ดีเนี่ยนอนไม่หลับก็ดีเนี่ยมาเดินจงกลมซะถ้ามานอนไม่หลับเก่งๆเดินจงกลมจนโตลุงเออได้ท้องความเพี่ยนบางทีเข า, เขา ก, กา็ไป น, น้ํายอก็น้ําบกแล้วฉลาดนะเขาคุยได้เขาบ่าทุกข์แต่แท้ทำไมเขาพ้นจากทุกข์ การนอนไม่หลับแต่แท้ทําให้เขาได้ปรารบความเพียรบางคนนอนไม่หลับไม่ใช่ปรารบคนไปไปคิดทําไมเรานอนไม่หลับชันไหมชันนอนไม่หลับกลัวจะเป็น อ, อันโ น, น่น อ, อันนี้มันมีปัญหาอะไร ไ, ไปพูดไปพูดโอ้หลวงพ่อนอนไม่หลับทําไงจึงจะนอนหลับไปหาหมอนอนไม่หลับหมอให้า ย, ยานอนหลับมากินนอนหลับคุยเออนี่ดีรอยใน่สุดเขาก็ร่มเร็ว ลองเอาแบบจานร่วนลองดูถ้าใครตื่นตื่นเตือนเช้าคืนตื่นขึ้นมาก็อาหายใจเข้าหายใจออกนอนเล่นเชา้าหลวงพ่อก็ตื่นตีหนึ่งเออมันตึกนเช้าไปหน้านะนอนหายใจเข้าหายใจออกดีนะจากนี่ไปถึงตีสี่เราก็สามสี่ชั่วโมงเราก็จะได้ทําความเพียรสี่ชั่วโมงหายใจเข้าหายใจออกรูกมันหลับไปเม่อไหร่ตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงข้อง <c oughs> <c oughs> แต่ไปคิดว่าเดีนอนไม่หลับวะเออจะอีกแบบวะตป่นเต้นกันไปนะดีมองเลยมองน้อยแย่ดีมันหลงก็ดีหัวโลภความหลงมันทุกข์ก็ดีหัวโลภความทุกข์เอาความถูกต้องไปต่ออย่าให้มันขาดสะบั้นลงมาไปกับเขาทั้งหมดต่อไหวต่อไหวแม่ เวลาเนี่ยมันก็ชวนให้ตื่นดึกข้อยะไรข้การหนักการเบาค้าวันใดในดื่มน้า ม, มากมากนะกลางคืนก็ไม่หนักไม่เบาพอตื่นขึ้นมาเราก็คนเมี อ, อยุเนี่ยก็ไม่อยากจะนอนถ้าไม่อยากจะนอนไปไหนหรอแต่บางวันก็เดินเที่ยวไปนู่นตามทางรอบวัดไปนอน สักไม่คนเท่าในคนเท่าก็ดีนะดีอย่างไรเวลามีงูขวางทางแต่ยินเสียงไม่คนเท่าเราคุกคุ้งมันจะหลีกทางให้เรามีอะไรที่มันขวางทางเราสักไม่คนเท่ากัพวกสอดบางเพศมันฟังอยู่กับพื้นดิบทตาปุกปกมันจะไปเลยอยู่ตรงนั้นนะมีงูจงกาง รอกคาบอยู่ตรงนั้นยาวเกือบสองวานทำไมไปอยู่อย่างนั้นสงสัยมันไปลอกคาบตอนกลางคืนงูโโจงอางอยู่ไม่ใช่อยู่ในป่าอยู่โครนะใกล้ๆศาลาตนะ <c oughs> ัวใหญ่เท่าแขนแน่ถือไม่กันเท่าก็ดีนะจุกจๆกจุกจุกไปกลางคืน ถ้าหลวงพ่อเดินกลงคืนหลวงพ่อจะถสือใม้คนเท่าไปเลยไม่ต้องไห้ไฟก็ได้จุกจุ ก, จ, กจุกไปในบางทีก็มองนี่สนุกไปนไปั้นกับเราอยู่คนเดียวในโลกถ้ากลางคืนเร า, เรานอนแล้วอิ่มแล้วจางนั้นเราตื่นขึ้นมาเน้ในโลกนี่มีเราคนเดียวเงีย บ, ยบดีจริง หลวงพ่อเทียนเคยเคยเคยทำแบบนี้เหมือนกันเอากลางคืนเป็นกลางวันเอากลางวันเป็นกลางคืนทำไมจึงเอากลางคืนเป็นกลางวันเอากลางวันเป็นกลางคืนกลางคืนนั่นเอาเวลาทำงานดีกว่ากลางวันกลางวันเนี่ยนอนซะเพื่อจะหลบหลีกการพูดการคุยกัรมองการเห็นอะไรต่าง เอากลางคืนเป็นเวลาทําความเพียรเอากลางวันเป็นเวลานอนแต่ว่าไม่ถูกต้องหลงพอเทียนก็เคยคิดแบบนั้นจะกลายเป็นโลกกระเพาะเพราะว่ากลางวันนี่มันนอนมันก็เวลาคนนอนมันก็มันก็ไม่หิวไม่รู้จักหิวมันก็ไม่ค่อยได้กินข้าวนอนก็หลับมันเรานอนกลางคืนเน่ะ ถ้าหิวหิวไปเนี่ยไปนอนหลับเนี่ยมันก็หายหิวนะใช่ไหมทีม่ต้องอยู่การหลับมันก็หายหิวเราหลวงพ่อเทียนก็ไม่รู้สมัยก่อนหลวงพ่อก็เสียดายนะเสียดายหลวงพ่อเทียนถ้าไม่มีโรค<ล>เปียด<ล>เปลี่ยนหลวงพ่อเทียนจะมีอายุถึงร้อยปีนะอายุเกือบสิบปีเนี่แข็งแรงกวนะ่าหลวงพ่อนะยังเดินพายบาตขึ้นรถโดยสารไปสอนธรรมะในโลกเปียดเปลี่ยน เราก็ไม่รู้เราก็โงโ่จริงจริงตอนที่หลวงพ่อเทียนอายุหกสิบปีเนี่ยบนญลนทองล่อนทอ ง, อทองเอาผ้าหล้าพา่อาพา้<น>าหลวงพ่อเทียนเอาผ้าคุมหัวไม่เป็นนะไม่ได้เอ<ๆ>าผ้าผ้าผ้าเปลก ป, ปุปกกอง<น>แล้วก็ท่านก็สอนเราด้วยไม่เอาผ้าคุมหัวห่เหมือนกับมุสลิมเอาผ้<น>าผ้าผ้าเปลกกระปุปกเดินจงกรมกลางคืนค แฝดแหลวงพ่อก็อยู่กติกาๆหลวงพ่อดูให้หลวงพ่อไม่นอนนอนมาดูก็เดินแฝดแฝดหลวงพ่อไม่นอนนอมันบนนอนหัวมันแล้วมันฮอนท้องเนี่ยมันฮอนท้องเนี่ยนอนมันก็ฮอนหลายแต่เดินเจ๊งนก็ใครแดเดินมันอยู่นี่แหละบนนอนหัวมันแล้ะเดินแล้วก็เพ่อพกหัว าทำจังหดจังก็เสียเท่าเราหลวงพอ่อเรากินนามาเ้าก็ใครแด้ก็ไปหานามาเ้ามาให้กินพปกินลงไปเออใครแ่ยในรู้ว่าท่านเป็นโรคกระเพาะถ้าเรามารู้จักสมัยนั้นน่รีบรักษาซะจะไม่ได้กลายเป็นโรคมะเร็งมาตัดกระเพาะทิ้งเลยอายุหกสิบเจ็ดสิบยี่สิบปีดั่ก่อนหลวงพ่อจะ ได้ตัดกระเพาะอาหารเราสามารถรักษาทันอยู่พวกเราก็ไม่รู้โง่จริงๆเสียดายหลวงพ่อเถียนถ้าใครบ่นว่าร้อนท้องนะอย่าไปหาน้ำมาเพ้ามาให้กันกินนะต้องพาไปหาหมอมองไว้ก่อนต้องไปโรคกกระเพาะอาหารร้อนท้องนะ่ะแล้วก็ปวดท้อง เพรนั่นเหตุที่หลวงพ่อเถียนเอากลางคืนเป็นกลางวันเอากลางวันเป็นกลางคื น, นถือว่าไม่ถูกต้องเนาะแน่นอนเราไม่ต้องเอาอย่างเนาะกลางคืนนอนกลางวันก็ทำงานต่อสู้ถ้าหลวงพ่อจะบอกก็บ่กกลางวันนี่แหละเป็นเวลาทำความเพียรกลางคืนต้องนอนเวลานอนก็ต้องนอนอย่าไปคิด จะ น, นอนไม่หลับถ้ามีใครยังคิดเวลานอนถือว่าไม่ถูกต้องต้องเปลี่ยนใชเวลานอนก็บอกตัวเองว่าเวลานี้เป็นเวลานอนคนนอนหลับไปหลับเพราช่างหัว ม, มันว่าจะนอนก่อมตัวเองให้รู้สึกหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกมันจะหลับไม่ต้องไปคิดว่ามันอยากให้มันหลับการคิดอยากจะให้มันหลับเนี่งไม่หลับนะ นอนเฉยๆนอนสบายๆายมันจะหลับเนี่ยอะไรก็ตามมันมีเทคนิคของมันอยู่การเจริญสติการเตี่ยนนิสัยมีอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราหลักเดียวเท่านั้นสติเอาสติเท่านั้นรู้สึกตัววิธีที่รู้สึกตัวเอาลยอย่างหายใจเข้าหายใจออก ยิ่งพวกเราสร้างจังวัด14จังหวัด28จังหวะนะัดเนเอาลงไปเพิ่มลงไปทำลงไปแส่วนใดก็ส่วนหนังทิพตาติดต่อกันสักสิบนาทีกืนน้ำลายติดต่อกันสักห้าห้านาทีตั้งใจนี่มันก็เป็นไปได้ก็รู้สึกตัวก็อฟิตขึ้นมามีกำลัง มีกำลังกลังสติได้จากบัพพะบัพพะนี่เป็นเครื่องชูกำลังให้สติมันงงอกงามบัพพะคือการเคลื่อนไหวกายบัพพะจิตตบัพพะสัมปัชัญญาบัพพะเป็น สิ่งที่ทำให้สติมันงอแกามได้ไหวทันทีทันใดแต่ไม่ใช่บับพระมันจะชามันจะชาต้องใช่บับพระร่วมให้เกิดความรู้สึกตัวเหิบตาคืนน้ำลายเอ็กมือสร้างเจ้าหรือเอาหนักนกจับๆเดินจงกลม เดินจงกมนี่ดีดสําหรับคนใหม่ๆเนะ่อยดีกว่านั่งมันจะไม่เสียเวลากับความ ง, ง่วงเดินจังกรมไม่เสียเวลากับความ ง, ง่วงนั่งมันเสียเวลากับความ ง, ง่ว ง, งความง่วงก็มาอาศัยเป็นอาคันตุกะมาบ่อยแต่เดินจังกรมนี่ไม่ไม่ได้อาศัยจังหมงหนึ่งก็ร่วนรวดในสติจังหวงหนึ่งจะไม่บ้างคือความคิด ความคิดมันก็ไม่ยากเหมือนกับความม่วงความม่วงมันมีแนวร่วมเยอะยะตาก็เบลนไม่ขึ้นเืออ่อนขาอ่อนถ้าถ้าความคิดเนี่ยมันยังเดิดได้ก็เอามาเดินเอามาลู้นะมันมันเหมาะกว่าแต่ไปอย่าไปง่วง พอให้มันง่วงกับการนั่งถ้าเราเข้มแข็งในการเดินจงครมมีสติแล้วนะพอไปใช่ที่บทนั่งมันจะสบายแต่อาอย่างหลวงพอ่อหลวงพ่อเนี่ยชอบเดินเราทําไมไม่พอมีอารมณ์แล้วรู้จักรูปจากนามแล้วค่อยนั่งนั่งดีกว่าเดินไปนะถ้าได้อารมณ์เรานั่งดีกว่าเดินเพราะอะไรเพราะมันเห็นรายละเอียดกว่ากันมันจะเห็นความง่วงมันจะเห็นความคิด เดินจังก็มันแรงมันมากเกินไปขย่าลู้ตัวลู้มากเกินไปแต่พอมานั่งนะมันมันค่อยโผ่ให้เราเห็นนิสัยปัจจัยอะไรต่างๆมาเกิดขึ้นมาละเอียดกว่าความงว่ความรู้สึกตัวขณะที่เรายกมือสังกี่ว่าจะจะรู้ทันรู้เท่ารู้ทันเหมืันกับ ค ร, ะระสะอาดมองเห็นที่ฝุ่นได้ถ้าศกกรปกเหมือนกับถนนนทางมันก็มองไม่เห็นอะไรถ้าเรพื้นดินคอนกรีต เ, เห็นอ่อนอกับเบื้องมันมองเห็นที่ฝุ่นได้ถ้ามาหยาบหยาบมันมองไม่เห็นความรู้สึกตัวขณะที่เรานั่งมันละเอียดขั้าการเตือจังคม ถ้าทายหลายอยา่างหรือ น, นอนได้ถ้าเราเราก่งพอที่จะนอนก็นอนได้นอนได้นั่งได้แต่ยืนเนี่ยพวกเราไม่ค่อยสอนกันไม่ค่อยสอนกันไม่เหมือนธรรมธาโลของวัดไชยงามวัดไสยงามก็ ย, มยืนเป็นหลายชั่วโมงพวกเราไม่สอนกันหลวงพ่อเทีนก็ไม่สอน ตอนใหญ่ๆอยู่อริบทเดินกับนั่งสร้างแก้วนอนก็ไม่ค่อยสอนยืนก็ไม่ค่อยสอนแต่มีน้อยๆหลวงพ่อเทียนสอนเพียงสาธิตการ น, นอนก็หลวงพ่อ ก, ก็สาธิตการยืนก็นสาธิตแต่แน่นอนที่สุดการ น, นั่งสร้างแกว้วได้สัตว์ได้ส่วนพอดีการเดินพอดีพอดีนี่อาชีพของพวกเรานะให้ จะเกลียดข้านให้อายคีพแปบดหขอให้เราถือว่าเป็นอายคีพทิ้งไม่ได้ถ้าทิ้งเราก็เป็นบาปนะพวกเราคนเลี้ยงชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นไม่ได้ทำมาหาจินเองอย่างที่เราชวดนะ ถ้าเราประมาทบิณฑ บ, บาตเสานาสนะที่อยู่อาศัยเครื่องนองหอมยารักษาโลกคนผู้ช่วยเราเขาจะไม่มีอเนสง์เขาช่วยโจรผู้ร้ายถ้าเราภาลบความเพียรบิทฑ บ, บาทเสานาสนะัชีระนัตเสัชยารักษาโลกผู้ให้ความบุญธรรมเขาเขาจะไม่อเนสงใหญ่ไม่อเนสงใหญ่เป็นผลเพราะเขาไม่ได้เลี่ยงโจรเขาเลี่ยงคนให้เป็นคนดีเป็นพระขึ้นมาแล้วเราจะได้ไปช่วยคนอื่น เราจะได้ไปสอนคนอื่นอย่างน้อยเราก็ช่วยตัวเราไม่ให้เป็นภัยปัญหาต่อสังคมสงบคนหนึ่งเราไหนโลกไหนขอให้เราเคียดจากนั้นตัวเราสงบคนหนึ่งไม่ทะเลาะกับใครตัดไปเลยไม่ทะเลาะวิวาดกับใครไม่ทำห้ใครเดือดร้อนแล้วไม่ทำห้ตัวเองเดือดร้อนเอาอย่างนี้ก่อนก็ได้ถ้ามีพลังมีกำลังเราเอาไปช่วยคอื่นไหมเขาไม่เบียดเบีย น, นเขา ไปช่วยคนอื่นไม่ให้เขาเวียดบียนคนอื่นก็ยิ่งดีใหญ่ที่แรกก็เอาสักนก่อน